ขอนอบน้อมตอบพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรชื่อว่ามหาตันหาสังคยสูตรจากคำภีมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตมหาตัญหาสังคยสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความสิ้นไปของตันหาพระสูตรที่ยาวและก็มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มหาก็แปลว่ายาวหรือว่ามีความสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องกล่าวเอาไว้ในทุกแง่ทุกมุมอันนี้เป็นความหมายของมหาตันหา ก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นทุกขะสมุทยัยตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตเป็นความหลงเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความติดข้องอยากได้ยึดถือแล้วก็ทำให้เกิดการวนเวียนไปสังขยะแปลว่าความสิ้นไปหรือว่าสิ่งที่เป็นเหตุทำให้ถึงความสิ้นไปมหาส มหาตันหาสังคยสูตรจึงแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความสิ้นไปหรือว่าว่าด้วยธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งตันหาเป็นพระสูตรขนาดยาวแล้วก็มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็จะสามารถรู้วิธีที่จะทำให้สิ้นตันหาได้นะตันหานั้นมีความสำคัญมากเพราะว่า เป็นทุกขะสมุทยัยซึ่งเราก็คงเรียนมาแล้วเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทุกขก็คือกายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นปันจุปาทานขันอันนี้เป็นทุกเป็นกองทุกล้นล้วนไม่มีตัวไม่มีตนอะไรทีนี้กองทุกจะมาได้มาได้จากทุกขะสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกขเหตุให้มีกองทุกขชนิดนั้นๆ ไม่ว่าจะดูดีหรือดูไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกองทุกข์ที่ไปเกิดในอบายหรือว่ากองทุกข์ที่มาเกิดในมนุษย์ในเทวดาหรือว่ากระทั่งเป็นพระพรหมที่เป็นสัตว์ชื่อนั้นชื่อนี้ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอายุสั้นบ้างอายุยาวบ้างสามบ้างประณีตบ้างตามกรรมของตนอันนั้นก็ด้วยอาศัยทุกขะสมุทัยคือตัวตัณหา ถ้าเราเรียนตามหลักปฏิจจสมุปบาทเราก็จะรู้ว่าเวลาที่เป็นการวนเวียนฝ่ายวนเวียนของกองทุกข์ขึ้นมาก็จะเริ่มจากตัณหาเหมือนกันก็คือช่วงที่ว่าด้วยผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีขึ้นจึงเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่เป็นไรทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระอราหันต์ก็เป็นอย่างนี้แต่หลังจากกระบวนการตอนนี้ไปเวทนาปัจจยาตัณหา ตรงนี้แหละที่สําคัญก็คือทําให้เกิดกองทุกข์วนเวียนขึ้นมาฉะนั้นตัวตันหาจึงจัดเป็นทุกขะสมุทัยนะเพราะว่าเมื่อมีผัสสะขึ้นมาแล้วถ้ารู้ไม่เท่าทันไม่มีวิชาเกิดขึ้นมีอวิชชาครอบงําจิตใจตันหาก็จะเกิดเวทนาปัจจะยาตันหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาเกิดความอยากได้อยากได้บ่อยๆก็เกิด เป็นอุปาทานอุปาทานก็คือตัณหาที่มันเกิดบ่อยๆจนขาดไม่ได้นั่นแหละก็เกิดอุปาทานเกิดความยึดถือเมื่อเกิดอุปาทานยึดถือก็ทําเพื่อตัวเองให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัวเองดีตัวเองมีความสุขตัวเองพ้นทุกข์จนกระทั่งถึงให้ตัวเองนั้นถึงพระนิพพานไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกของเขาอันนั้นก็เป็นกองทุกข์ที่วนเวียนเกิดพบชาติ เมื่อได้ชาติได้เกิดก็ได้ชรามรณะและทุกข์ที่ติดมากับความเกิดนีก็เป็นเกวัลสสะทุกขขันธสักก็คือกองของทุกข์ลุ้นล้วนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆนะฉะนั้นตัวตัณหาท่านจึงจัดเป็นทุกขะสมุทยัยด้วยเหตุนี้เพราะว่ามันเป็นต้นต่อของวงจรของความทุกข์นะ เมื่อยังมีอวิชชาเหลืออยู่แล้วไปกระทบผัสสะเข้าก็เกิดความรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาตินะผัสสะผัจจยาเวทนาถ้ารู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดตัณหาขึ้นมาถ้าผู้ใดที่มีสติสัมปชัญญะจนสมบูรณ์มีวิชาแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่มีตัณหาที่จะมีที่ตั้งในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดที่นี่นะ แต่ทีนี้คนที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่เมื่อกระทบผัสสะแล้วขาดสติขาดสัมปชัญญะอวิชชามันเกิดนะจิตที่ยังมีอวิชชาอาวิชชาก็มีเหตุเกิดขึ้นเมื่อไปกระทบผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมานี่มันก็เลยเป็นสายวนเวียนสายเกิดทุกข์นะครับพระสูตรนี้ก็จะมาบอกวิธีที่จะ ทำให้สิ้นตัณหาหรือว่าบอกเขตที่จะทำให้ตัณหานั้นมันหมดไปมันสิ้นไปซึ่งวิธีการที่ถูกต้องมันจองเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีตัวไม่มีตนก่อนถ้าใครยังเห็นว่ามีตัวมีตนยังมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้คงจะไม่มีทางสิ้นตัณหาได้นะถ้าเรามีความคิดว่ามีตัวเรามีของเราเราไปเกิดที่นั่นที่นี่ ทำกรรมดีๆเยอะๆเป็นบุญแล้วก็หอบเอาบุญไปเกิดที่นั่นที่นี่ทำบาปแล้วก็ได้รับผลไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มีสัตว์มีบุคคลเป็นผู้เสวยผลของกรรมอย่างนี้เป็นต้นความเห็นอย่างนี้ไม่สามารถทำให้สิ้นตัณหาได้เพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับในพระสูตรนี้ก็จะบอกตั้งแต่ต้นทีเดียวนะเรื่องของการฝึกฝนตนเองสาหรับ ผู้ที่ยังไม่เห็นความจริงก็จะเป็นการฝ่ายวนเวียนไปฝ่ายวนเวียนวัด ต, ตะเป็นเหตุให้เกิดทุกวนเวียนไปส่วนผู้ที่รู้จักความจริงก็จะบอกวิธีฝึกฝนจนกระทั่งหมดสิ้นตัณหาไปมีทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในสูตรนี้นะครับซึ่งเวลาท่านอ่านดูแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ยากอะไรนะ ถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากอยู่เลยตนะ า, ามสไตล์นะก็คือถ้าไม่เข้าใจก็ยากถ้าเข้าใจก็ไม่ยากนะครับมหาตันหาสังคยสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความสิ้นไปของตันหาพระสูตรขนาดยาวที่ว่าด้วยเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์และก็ครบถ้วนทีเดียว ในเรื่องการเกิดขึ้นของตัณหาและก็ความสิ้นไปของตัณหาตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าตัณหาเกิดตัณหามีขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าตัณหาสิ้นไปหมดไปก็หมดสิ้นทุกข์ไปทุกขานิโรธะทุกขสมุทยะคือตัณหาทุกขานิโรธะคือความสิ้นตัณหาฉะนั้นตัณหามันจึงเป็นตัวกลางทีเดียวนะครับถ้า สามารถทำให้สิ้นตันหาไปได้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะในมหาตันหาสังคยสูตรนี้บาลีเริ่มตั้งแต่ข้อสามร้อยเก้าสิบหกเป็นต้นไปนะเนื้อหาก็กล่าวถึงความเห็นผิดของภิกษุรูปหนึ่งขึ้นมาก่อนพอกล่าวถึงความเห็นผิดของภิกษุรูปหนึ่งเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้สอบถามความเห็นของภิกษุทั้งหลายว่า มีความเห็นถูกต้องไหมถ้าไปเห็นอย่างภิกษุรูปหนึ่งชื่อสาติในที่นี้นะสาติเกวัตบุตรนี่ถ้าไปเห็นตามภิกษุรูปนี้ก็เป็นความเห็นที่ผิดพลาดแต่ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทก็เป็นความเห็นชนิดที่ถูกต้องแล้วพระองค์ก็ได้ถามภิกษุไปทีละข้อทีละข้อ ชำระความเห็นในมันบริสุทธิ์ผุดผ่องไปนะอย่างนี้นะครับบาลีข้อ396อนะอ่านพร้อมกันก่อนนะครับเอวัมเมสุตังเอกังสั ม, มยังภควาสาวัติยังวิหรารติเชตวะเนอนาถปินดิกัสอาราม เตะนะโขปนะสัมเยนะสาติสนามพิกุโนเกวัตตปุตตะสะเอวะรูปังปาปกังนิธิคตังอุปป น, นังโหติตถาหังภควตาธรมังเดศิตังอาชานามิยะถาตเดวิดัง วิญญาณังสันทาวติสังสาะติอนัญญนติรัศโสสุงโขสัมหูลาพิกุสาติตสกิรานามพิกุโนเกวัตตปุตตะเอวรูปังปาปกรรมังดิติคตังอุปนังตถาหัง พักวตาธรร ม, มเดศตังอาชานามิยะถาตะเดวิตังวิญญาณังสันทาวติสังสระติอนัญญนติเอวมเมสุตังคือข้าพเจ้าคือท่านพระ อ, อนนท์ได้สดับมาอย่างนี้ เอกังสมยังพควาสาวัติยังวิหรติเชตวะเนอนาถบินติกัสอารามในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอันเป็นอารามของท่านอนาถบินฑิกาเศรษฐีใกล้เมืองสาวัตถีเตนะโขปะนะสมยเยนในสมัยนั้นแลสาธิตสานามภิกุโนเกวัตตาปุตตะ เอวรูปังปาปะกังดิธถิกตังอุปปั น, นังโหติความเห็นอันชั่วช้ามีลักษณะอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสาติเกวัตตบุตรนะดิตถิขตังก็คือความเห็นที่ผิดพลาดที่ในที่นี้ก็เป็นความเห็นชนิดที่ เป็นสัตตะทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนที่มันเที่ยงแท้ถาวรมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันเที่ยงมีอะไรอะไรอันหนึ่งที่มันออกจากร่างนี้ไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่นะทิฏฐิขตังคือความเห็นที่มันผิดพลาดในที่นี้กล่าวถึงสัตตะทิฏฐิชนิดหนึ่ง เอวารูปังปาปังกังปาปังกังก็อันชั่วช้าหรือว่าอันที่มันผิดพลาดนำผลเป็นความทุกมาให้นำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาให้คําว่าบาบาปในลักษณะของคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้กล่าวถึงในแง่ของความเป็นตัวตนอะไรบาปมันคู่กับบุญใช้ในแง่ของการเปรียบเทียบคําว่าบาปที่ว่าชั่วนี้หมายถึงมันให้ผลเป็นความทุกให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นำความทุกมาให้ ส่วนบุญนี้ให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความสบายใจนำความสงบสุขร่มเย็นมาให้ใช้ในแง่เปรียบเทียบเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรบางคนเขาไปเรียนบาปบุญเขาไปเรียนเป็นตัวเป็นตนนะเรียนเป็นบาปบาปก็ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปเกลียดบาปเกลียดคนทำบาปไปอีกนะไปเรียนเรื่องบุญก็รักบุญชอบบุญเมาบุญอยากให้ตัวเองได้บุญไปรักคนทาบุญอย่างนี้ อันนี้มันเรียนไม่รู้เรื่องนะเรียนแบบนี่ภิกษุรูปนี้แหละเรียนแล้วคิดว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนเป็นความเห็นชนิดที่เป็นสัตตทิฏฐินะครับแท้ที่จริงความเห็นมันก็เป็นของไม่เที่ยงนะแต่ในที่นี้กล่าวถึงความเห็นของภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นความเห็นชนิดที่เลวชั่วช้าคําว่าเลวชั่วชาก็ไว้เปรียบเทียบกับคําว่าดีเท่านั้นเอง ชั่วกับดีที่เขาไว้เปรียบเทียบกันชั่วในความหมายที่ว่าให้ผลเป็นความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ดีใช้ในแง่ที่ว่าให้ผลเป็นความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์นี่เท่านี้เองไม่ได้กล่าวถึงความมีตัวตนอะไรนะแะนบางทีเราเรียนธรรมะนี้เรียนไม่เข้าใจเราก็จะเกิดตัณหาวนเวียนกันไปนะต้องเรียนให้ดีด ความเห็นที่ชั่วช้ามีลักษณะอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้มีชื่อว่าสาติเกวัตบุตรใภิกษุรูปนี้ท่านเป็นบุตรของเกวัตตะชื่อว่าสาติสาติเกวัตบุตรนะครับท่านมีความเห็นเกิดขึ้นมาว่าตาถาหังภควตาธรมมังเดสิตังอาชานามิข้าพเจ้าย่อมรู้ อย่างทั่วถึงซึ่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วนี่ก็คือเรียนธรรมะนั่นแหละหรือว่าได้ฟังธรรมะมาก็คิดว่านี่เราได้รู้ทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่ายัางไงยะถาแตเดวิดังวิญญาณังสันธาวติสังสารติอนันย์ยังคือวิญญาณ น, นี้เท่านั้นแหละไม่ใช่อันอื่นที่ แล่นไปแล้วก็ท่องเที่ยวไปเนี่ยเข้าใจแล้วว่าอ๋อมาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงอ๋อไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลหรอกมีแต่วิญญาณที่มันท่องเที่ยวไปตามบุญตามกรรมของตนเองถ้าไปทำไม่ดีวิญญาณก็ไปเกิดในที่ไม่ดีวิญญาณท่องเที่ยวไปนะถ้าทําดีก็วิญญาณก็หอบบุญไปเกิดในที่ที่ดีดแม้เข้าใจแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยแต่มีวิญญาณไปเกิดเนี่ยเราเข้าใจอย่างนี้ไหมส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจอย่างนี้อยู่นะครับถ้าเข้าใจอย่างนี้อยู่ก็ให้รู้ว่านั้นเป็นความเห็นที่ผิดพลาดนำมาซึ่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นอันมากเพราะว่าจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ต้องเหน็ดเหนื่อยถ้าดีหน่อยก็ไปรักบุญก็เหน็ดเหนื่อยกับการทาบุญพยายามทาให้ตัวเองเป็นคนดีก็เหน็ดเหนื่อยนะพอทาไม่ดีขึ้นมาก็ เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลไปกับเรื่องอดีตที่ไปคิดว่าโอ้เรามันทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้แม้ขนาดท่านเป็นพระนะก็ฟังธรรมะม า, มาแล้วก็คิดว่านี่เราได้เข้าใจทั่วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจว่ายังไงคือมีแต่วิญยาณเท่านั้นแหละที่ไปเกิดส่วนนั่นอื่นๆนี่นะรูปก็แตกทําลายไปเวทนาก็เกิดขึ้นแตกทําลายไปสัญญาสังขารก็ล้วนเกิดขึ้นแตกทําลายไป มีแต่วิญญาณนั่นนั่นแหละที่ไปนะเราทั้งหลายที่เข้าใจไม่ถูกต้องก็จะพากันยึดถืออย่างนี้นะแม้แต่พวกเรียนธรรมะ ก, ก็ยึดถือมากเหมือนกันนะพยายามทําดีเพราะคิดว่าดีแล้วก็จะสะสมไว้ในวิญญาณแล้ววิญญาณก็จะพาไปเกิดที่ดีๆเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ผิดเป็นความเห็นที่เห็นว่าวิญญาณนั้นมันเป็นของเที่ยงนะบางคนเขาก็ฟังเรื่องชาดกเรื่องโน้นเรื่องนี้ โอ้พระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นท่านนี้ชาติ น, นู้นเป็นท่านนูน้นโอ้ที่เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นที่มีลักษณะนิสัยอย่างนั้นดับไปแล้วแต่ว่าวิญญาณท่านน่ะติดต่อกันมาตั้งแต่นูน้นชาติที่ท่านเป็นโพธิสัตว์จนกระทั่งจนมาถึงพระพุทธเจ้าท่านก็สะสมโน้นสะสมนี่สะสมไว้ในวิญญาณนั่นนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเหมือนกันนะอันนี้นะครับฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆ นะถ้าอยากจะสิ้นตัณหาถ้ายังเข้าใจว่าวิญญาณยังสะสมนั่นสะสมนี่แล้วก็ไปเกิดวนเวียนพยายามเพิ่มพูนนั่นเพิ่มพูนนี่ให้ได้เยอะๆตัณหาก็ไม่มีทางหมดไปได้เขาก็ยังมีตัณหาวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละก็คิดว่าโอ้เรามีบา ร, รมียังไม่พอต้องสะสมบา ร, รมีให้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเรามันไม่มีจริงมีแต่วิญญาณนั่นแหละมาสะสมได้เขาก็สะสมกันใหญ่อันนี้ก็ ตันหาก็พาไปทำก็พาไปสะสมก็ไม่อาจถึงความสิ้นไปของตันหาได้นะครับนี่ความเห็นของภิกษุรูปหนึ่งนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็พากันเห็นอย่างนี้แหละอันอื่นอาจจะมียึดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆอาจจะไม่ยึดว่าเป็นตัวตนอาจจะไม่ยึดว่าเที่ยงแต่วิญญาณ น, นี้ยากมากถ้าปุถุชนที่ไม่ได้สดับแล้ว เขาพากันยึดวิญญาณทั้งนั้นบางคนอาจจะไม่ยึดรูปก็ได้อาจจะไม่ยึดความคิดตรุงแต่งก็ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปส่วนวิญญาณนี่ถ้าเป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับแล้วเขาก็าพากันยึดนะต้องเป็นอริยะเจ้าผู้ได้สดับแล้วนะจึงจะเลิกยึดถือในวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตนนะครับอันนี้เราก็ฟังเอาไว้ถึงจะยังมีความเห็นผิดหรือว่า ยังยึดอยู่เราก็จะได้เข้าใจว่าที่ยังเห็นว่าวิญญาณมันท่องเที่ยวไปมันไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่สะสมนั้นได้สะสมนี้ได้วนเวียนไปนั้นเป็นความเห็นที่ผิดพลาดเป็นปาปังดิฐิคตังคือความเห็นที่ชั่วช้าทำให้ได้รับทุกโทษภัยเป็นอันมากเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเกิดไปเรื่อยเกิดมาแล้วก็มีทุกที่ติดมากับความเกิดเกิดมาแล้วก็ได้แก่ เกิดมาแล้วก็ได้ตายได้ตาก็มีโรคตาได้หูก็มีโรคหูโอ้เพียบนะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นนั้นมากมาจากความเห็นที่ผิดพลาดนะพอภิกษุทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายท่านก็เข้าใจดีว่าวิญญาณ น, นั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรหรอกไม่มีเรื่องวิญญาณเที่ยวไปวนเวียนอย่างนี้หรอกนะ ที่พระพุทธเจ้าทัานสอนเรื่องการวนเวียนอย่างนั้นท่านก็สอนในแง่มุมของการให้เห็นทุกโทษภัยของความเข้าใจผิดของความไม่รู้เรื่องของความไม่รู้อริยสัจท่านจึงบอกว่าที่สังสารวัตรมันท่องเที่ยวไปยาวนานไม่สิ้นสุดสาระมีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันรู้ไม่ได้สําหรับผู้ที่ยังมีอวิชชาหุ้มห่อเอาไว้ยังมีตันหาผูกมัดเท่านั้นเอง ฉะนั้นสังสาระนี่มันมีสําหรับพวกที่มีอวิชชาพวกที่ยังมีตันหาผูกมัดเอาไวนะ้เวลาท่านสอนเรื่องสังสาระก็สอนสําหรับพวกนั้นว่ามันยาวสําหรับพวกนั้นแต่พระองค์สอนนี้สอนให้กลับข้างว่าให้มีความรู้ความเห็นตามที่เป็นจริงรู้อริยสัจเมื่อรู้อริยสัจแล้วก็ไม่ต้องไปวนเวียนอย่างเขานะไม่ใช่สอนว่ามีสัตว์บุคคลไปวนเวียนจริงๆแต่สอนว่าที่มันไปวนเวียนอย่างยาวนานอย่างนั้น สำหรับพวกที่มีอวิชชาหุ่มหอ่อมีตันหาผูกมัดเอาไว้เท่านั้นแต่พระองค์นี้สอนให้มีวิชาให้ทำลายอาวิชชาไปให้สิ้นตันหาหมดตันหาไปอย่างนี้นะต่อไปภิกษุทั้งหลายท่านก็ได้ทราบเรื่องก็เข้ามาถามแล้วก็ซักไซไล่เลียงท่านสาติ อัดโซสูงโขสัมวหุลาภิกขุภิกษุทั้งหลายจำนวนมากได้ยินว่าสาติสกิรานามภิกขุโนเกวัตตะปุตตเอวรูปังปาปกกังดิทถิกตังอุปปันนงังได้ทราบว่าความเห็นอันชั่วช้ามีลักษณะอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสาติเกวตัตตบุตรว่า ตถาหังพระวตาธรรมังเดสิตังอาชานามิกลับผมได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วตถาตเดวิ ด, ดังวิญญาณังสันธาวติสังสารติอนัญยังคือรู้เห็นว่าวิญญาณ น, นี้เท่านั้นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นที่ท่องเที่ยววนเวียนไปมีแต่วิญญาณที่ท่องเที่ยวไปวนเวียนมีแต่วิญญาณที่ไปเกิดที่นั่นที่นี่ พิภิกษุทั้งหลายเขาก็ได้ยินว่าท่านสาตินี่มีความเห็นอย่างนี้ขึ้นภิกษุทั้งหลายก็เลยเข้าไปหาในย่อหน้าที่สองแล้วก็เข้าไปสอบถามซักไซไล่เลียงแล้วก็บอกว่าที่ท่านเห็นอยู่นั้นมันผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าวิญญาณมันไปเกิดที่นั่นที่นี่หอบโน่นหอบนี่ไปไม่ใช่มันวนเวียนไปแต่พระองค์สอนแต่เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมี อันนี้มันเกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นการวนเวียนมีได้ก็ไม่ใช่ตัวตนไป ล, ลอยๆแต่เพราะว่าอาวิชามันมีการวนเวียนมันจึงมีขึ้นอวิชชาปัจจญาสังขาราพระองค์แสดงแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยนะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แสดงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยทุกอย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นจึงไปจับยึดเป็นตัวตนเป็นบุคคลที่ใดที่หนึ่งไม่ได้การทาดีก็ มีเหตุมีปัจจัยจึงทํามีเหตุเป็นมีปัจจัยกรรมดีนั้นจึงให้ผลไม่ใช่ว่ากรรมมันมีตัวมีตนแล้วก็ทําแล้วก็ให้ผลทันทีทําแล้วก็ให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วยตัวมันเองมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับนี่ถ้าเข้าใจถูกต้องก็จะเห็นว่าคําพูดหรือว่าความเข้าใจของสาติตพิกษุนั้นผิดพิกษุทั้งหลายก็เลยได้ยินอย่างนั้นก็ เข้าไปหาท่านสาตินะในหน้าที่หนึ่งี่แหละย่อหน้าที่สองอ่านพร้อมกันนะครับอัตตาโขเตพิกขูเยนะสติพิกขุเกวัตตะปุตโตเตนุปสังกมิงสุอุปสังกมิตตวาสาติงพิกขุงเกวัตตะปุตตังเอตต ะ, ะวจุง สัจจังกิระเตอาวุโสสติเอวะรูปังปาปกังนิธิคตังอุปปนังตะถาหังภควตาธรมมังเดศตังอาชานามิยะถาตะเดวิดังวิญญาณังสันทาวติสังสระติ อนัญญนติเอวังพยาโขอหังอาวุโสภักขวตาธัมมัเดิตังอาชานามิยะถาตะเดวิดังวิญญาณังสันทาวติสังสระติอนัญญนติ อาธาโขเตภิกขุสาติงภิกขุงเกวัตตะปุตตังเอตัดสมาปาปากาดิธิคตาวิเวเจตุกามาสมนุยุชันติสมนุคาหันติสมนุภาสันติมาเอวังอาวุโสสาติอวัจจะ มาพระวันตังอภาจิกขินหิสาธุพระวะโตอภักขานังนิพระวาเอวังวเทยะอเนกปริยาเยนอาวุโสสหาติปติจสะสมปันนังวิญญาหนังวุตตังพระวะตาอัญจระ ปัจจยานติวิญญาณสสะสัมพวติเอวัมปิโคสาติพิกขุเกวัตตปุตโตเตหิพิขุหิสมณุยุนชิยามโนสมณุคาหิยามโนภาสิยามโนตะเดวะปาปะกัง ทิฐิขตังถามสาปรามาสาอภินิวิสะโวหรติเอวังพยาโข อ, อหังอาวุโสภะวะตาธรรมังเดศิตังอาชานามิยะถาตะเดวิดังวิญญาณังสันธาวติ สังสระติอนัญญนติอถฏโขเตภิกขุเยนาสาติภิกขุเกวัตตปุตโตเตนุปสังกมิงสุลําดับนั้นแลภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปหาพระภิกษุชื่อว่าสาติเกวัตตบุตรถึงที่อยู่อุปสังกมิตวาสาติงภิกขุงเกวัตตปุตตังเอตันโวจุง กันเข้าไปหาแล้วก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุชื่อว่าสาติเกวัตตบุตรว่าสัจจังกิระเตอาวุโสสาติเอวารูปังดิิเอวารูปังปาปากังดิธิกตังอุปปั น, นังตถาหังภควตาธรรมังเดสิตังอาชานามิยะถาตเดวิดังวิญญาณัง สันธาวติสังสรรติอนันย์ยังรันเข้าไปหาแล้วก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุชื่อว่าสาติเกวัตตบุตรว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุได้ยินว่าความเห็นอันชั่วช้ามีลักษณะอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านจริงหรือที่ว่าท่านเห็นว่า เราได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่ามีแต่วิญญาณ น, นี้เท่านั้นที่ท่องเที่ยววนเวียนไปไม่ใช่สิ่งอื่นเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็มาถามว่าท่านเห็นอย่างนี้จริงไหมภิกษุชื่อว่าสาติก็บอกว่าจริงเอวังพยาโขจริงครับผมได้พูดอย่างนั้นว่าอาหางอาวุโสภควตาธรรมังเดสิตังอาชานามิ ยะถาตเดวิดังวิญญาณังสันทาวติสังสรติอนันย์ยังจริงครับผมได้พูดอย่างนั้นว่าผมนั้นได้เข้าใจอย่างทั่วถึงซึ่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่ามีแต่วิญญาณ น, นี้เท่านั้นแหละที่ท่องเที่ยววนเวียนไปไม่มีสิ่งอื่นไม่มีรูปท่องเที่ยวไปนะไม่มีเวทนาสัญญาสังขาร ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามีแต่วิญญาณมันท่องเที่ยวไปฟังดูดีเหมกันนะนะอันนี้ก็เห็นว่าวิญญาณมันเที่ยงเป็นตัวตนไปซะอีกนะครับเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วรับรองอย่างนี้แล้วว่าท่านเห็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็พากันพยายามจะปลดเรื่องหรือว่าช่วยกันให้ท่านเลิกเห็นผิดอาทะโขเตภิกขุสาติงภิกขุงเกวัตตปุตตัง เอตสมาปาปกาดิทิกตาวิเวเจตุกามาลําดับนั้นแลภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีความประสงค์ที่จะปลดเปลื่องท่านสาติเกวัตบุตรจากความเห็นอันชั่วช้านั้นสมณุยุนชันติจึงพากันกซักไซสมณุคาหันติพากันไล่เลียงสมณุพาสันติพากันสอบสวน ว่าอย่างนี้มาเอวังอาวุโสสติอวัจจะดูก่อนท่านสาติผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้มาพักวันตังอัภาจิกขิท่านอย่าได้กล่าวตูพระผู้มีพระภาคนหิสาธุพักวะโตอับพักขานังเพราะว่าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยอับพับขานังก็แปลว่า การกล่าวตู่หรือว่ากล่าวคำที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นจริงพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างหนึ่งเขาเอามากล่าวอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสด้วยคำมีประมาณเท่านี้เขามาเพิ่มขึ้นมาเป็นบางคำแล้วก่อให้ความหมายมันผิดพลาดไปอย่างนี้เรียกว่ากล่าวตู่คือว่ากล่าวไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ไม่เหมือนกับที่มีวัตถุประสงค์บอกเอาไว้กลายเป็นเรื่องอื่นไป เพราะว่าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยนะหิพัวาเอวังวเัเธยะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ไม่พึงตรัดอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัดอย่างนี้นะไม่ได้ตรัดว่าวิญญาณมันท่องเที่ยววนเวียนไปไม่ได้ตรัดอย่างนี้นะอันเนกปริยาเยนาอาวุโสสาติ ปฏิจจสมุปป น, นังวิญญาณังพุทธังพักวตาดูก่อนท่านสาติผู้มีอายุวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยปัจจัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วโดยอนเนกประการเนี่ยวิญญาณ น, นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเป็นปฏิจจสมุปป น, นะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจันยนะ ไม่ได้กล่าวถึงวิญญาณเป็นตัวตนว่าไปเกิดที่นั่นที่นี่ถ้าพระองค์กล่าวถึงการไปเกิดตรงนั้นตรงนี้พระองค์ก็ต้องกล่าวเหตุว่าเหตุมันพร้อมแล้วมันจึงเกิดนะเป็นวิ ญ, ญญาณชนิดที่เป็นปฏิจจสมุปป น, นะคือเป็นผลที่มาจากเหตุจากปัจจัยคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีจริงๆไม่ได้กล่าวถึงเรื่องคนหรอกกล่าวถึงเรื่องว่าที่มีคนอย่างนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้ว เรียกว่าปฏิจจสมุปป น, นะเหมือนตัวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนอะไรพระองค์บอกว่านี่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจกายใจคุณภาพของใจนี้ได้มาเพราะกรรมเก่าหมายถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยมาไม่มีคนมานั่งนั่งอยู่นี่ไม่มีตาถาวรไม่มีหูถาวร อ, อะไรมามันมีมาจากเหตุจากปัจจัยที่เรามานั่งอยู่นี่ที่มีความคิดอย่างนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปป น, นะธรรมชนิดหนึ่ง คือเป็นผลที่มาจากเหตุจากปัจจัยอย่างหนึ่งเราเป็นลูกของแม่คนนี้ก็เป็นผลที่มาจากเหตุจากปัจจัยอย่างหนึ่งไม่มีเราจริงๆไม่มีลูกจริงๆนี่พระองค์รู้ไปหมดนะเมื่อรู้หมดแล้วรู้ครบถ้วนก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนีเหมือนกับรู้จักเราดีก็ไม่ใช่รู้แต่เฉพาะตัวเรานะรู้จักแม่เราด้วยไม่ใช่รู้จากเฉพาะแม่เราก็รู้จักแม่ของแม่เราด้วยไม่ใช่รู้จักแค่นั้นรู้จัก แม่ของแม่ของแม่เราด้วยรู้จักแ ม, แม่ของแม่ของแม่ของแม่เราเรื่อยไปเรื่อ ย, อยนะถ้ารู้ขนาดนี้แล้วก็ย่อมไม่อาจจะยึดถือเป็นตัวตนที่ใดที่หนึ่งได้ฉะนั้นไอเราที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นแค่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยสมบูรณ์พร้อมมันจึงเกิดเท่านั้นเองไม่มีเรื่องตัวตนอะไรเวลาพูดถึงสัตว์เรื่องบุคคลเรียกคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ก็ในความหมายนี้เท่านั้นเอง เรียกชื่อวิญญาณก็ในความหมายนี้เท่านั้นเองนี่นะนี้ถ้าภิกษุท่านเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าโดยถูกที่แสดงโดยถูกต้องท่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อพระองค์แสดงแต่เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะท่านจึงบอกว่าดูก่อนท่านสาติผู้มีอายุก็วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยปัจจัยนั้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว เป็นอนเนกประการตรัสไว้แล้วเป็นอันมากด้วยเทศนาประการต่างๆอัญญตระปัจจญานัตถิวิญญาณัสสะสัมภะโวปราศจากเหตุปัจจัยแล้วการเกิดขึ้นของวิญญาณก็ย่อมไม่มีนะฉะนั้นเวลากล่าวถึงวิญญาณปั๊พระองค์ก็จะกล่าวถึงเรื่องเหตุปัจจัยทีเดียวเช่นกล่าวเรื่องว่าอาจากขูวิญญาณไปเห็นก็ไม่ใช่กล่าวถึงว่าวิญญาณมันมีตัวตนอะไรกล่าวถึงมัน เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากเหตุจากปัจจัยอาศัยตาไปกระทบกับรูปเกิดการมองเห็นจึงเรียกว่าจักขู่วิญญาณตั้งชื่อมันตามสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นตามปัจจัยที่ทําให้มันเกิดเนี่ยเวลากล่าวถึงสิ่งใดก็แสดงว่าสิ่งนั้นนะ่ะเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยแล้วอย่างนี้นะพระองค์จึงแสดงด้วยเทศนาเป็นอนเนกประการทีเดียวแต่เรานี้เวลากล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยึดว่ามันเป็น ตัวเป็นตนจริงๆ จ, จังๆกล่าวถึงดีก็ไปยึดว่ามันดีจริงๆแต่ความหมายของคําว่าดีที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เป็นผลจากเหตุปัจจัยหลากหลายประการที่รวมกันขึ้นเรียกว่าดีนะอาศัยว่าทําแล้วสบายใจทําแล้วให้ผลเป็นความสุขอาศัยปัจจัยนั้นปัจจัยนี้ก็เรียกอันนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้มีตัวตนจริงๆอะไรแม้กระทั่งบิน ญ, ญาณก็เหมือนกันนะภิกษุทั้งหลายก็มาซักไซไล่เลียงบอกว่า นี่ที่ท่านเห็นอย่างนั้นนะ่ะไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนวิญญาณไปนั่นไปนี่เนะี่ยมันไม่ถูกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นอย่า ก, กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะว่าพระองค์นี้ตรัสไว้เป็นนั้นมากว่าปฏิจจะสมุปปนนางวิญญาณังวิญญาณที่เกิดมาจากเหตุที่เป็นปัจจัยมีปัจจัยทําให้มันเกิดเวลาพระองค์กล่าวถึงผลนี้แสดงว่า พระองค์กล่าวถึงสิ่งนั้นมันมาจากเหตุจากปัจจัยนะครับเวลาพระองค์กล่าวถึงความไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าความไม่รู้มันมีตัวมีตนอวิชามีตัวมีตนไม่ใช่อย่างนั้นอวิชามันก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันพระองค์ก็แสดงเอาไว้เป็นอันมากอะไรเป็นเหตุให้เกิดอวิชาล่ะอาสวะเพราะการเกิดขึ้นของอาสวะอวิชชาจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เวลาพระองค์กล่าวถึงสุข สุขก็มันก็ไม่ได้มีตัวมีตนสุกชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพัทธสะทุกอันพระองค์ก็จะตรัสไว้เป็นอนเนกประการทีเดียวนะครับปราศจากเหตุปัจจัยแล้วการเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีฉะนั้นถ้าปราศจากเหตุปัจจัยแล้วทุกอย่างจะไม่มีเลยนะก็คือพระนิพพานนั่นแหละสิ่งที่ปราศจากเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากตัวตน นะทีนี้ถ้าปราศจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณก็ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรต่างๆก็ไม่มีเหมือนกันนี่แหละนะฉะนั้นโดยความหมายนี้ก็หมายถึงว่าตัวตนอันแท้จริงนี้มันไม่มีอะไรหรอกเราไปยึดถือแล้วก็ไปหลงผิดเองทั้งนั้นภิกษุทั้งหลายท่านจึงบอกว่าอัญตระปัจจะยาเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ว นัตถิวิญญาณัสสะสัมโภโวการเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วความคิดเช่นนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วการเห็นก็ย่อมไม่มีเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วการได้ยินก็ย่อมไม่มีเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วตัวเราก็ย่อมไม่มีเหมือนกันความคิดอย่างนี้ก็ย่อมไม่มีเหมือนกันแต่นั้นที่เราเห็นว่ามันมีจริงๆ น, นั้นเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นเลยนะ นี่เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นปฏิจจสมุปป น, นะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดอย่างนี้ก็หมดปัญหาเรื่องวิญญาณไปเกิดที่โน่นที่นี่ตามความเห็นของท่านสาติไปนะถ้าเห็นถูกต้องแล้วปราศจากเพศ จ, จากปัจจัยการเกิดขึ้นของวิญญาณก็ย่อมไม่มีนี่ภิกษุทั้งหลายท่าน สักไซไล่เลียงสอบถามแล้วก็กล่าวให้ภิกษุสาติเข้าใจทีนี้ภิกษุสาติแทนที่จะเข้าใจนะก็เห็นผิดหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกยึดของเดิมหนักขึ้นไปเรื่อยๆบอกของที่ถูกเข้าไปเขายิ่งยึดผิดหนักขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆอีกนะครับเอวํมปิโขสาติภิกขุเกวัตตบุตโตภิกษุชื่อว่าสาติเกวัตตบุตร เตหิภิกขุหิสมณุยุญชย я มาโนอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นซักไซอยู่อย่างนี้สมณุคายะมานโนไล่เลียงอยู่อย่างนี้สมณุพาสิยะมาโนสอบสวนอยู่อย่างนี้แต่เดวะปาปังดิถิขตังถามาสาปรามาสาก็กลับไปยึดความเห็นผิดอันชั่วชาอันนั้นนั่นแหละหนักขึ้นไปกว่าเดิม ยึดแน่นหนักกว่าเดิมอาพีนิวนิวิสสะโวหรติย่อมกล่าวด้วยความยึดถือว่าเอวังพยาโขอหังอาวุโสภควตาธรร ม, มังเดสิตังอาชานามิดูก่อนท่านผู้มีอายุเรากล่าวอย่างนี้ว่าเรานั้นได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า ยะดาตะเดวิดังวิญญาณังสันทาวติสังสรารติอนันยังวิญญาณ น, นี้เท่านั้นแหละที่ท่องเที่ยววนเวียนไปไม่ใช่อันอื่นนี่ภิกษุทั้งหลายอุตส่าห์มาบอกซักไซไล่เลียงสอบถามแล้วว่ามันไม่มีตัวไม่มีต้นมีแต่เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยท่านองค์นี้ก็ยึดหนักขึ้นไปกว่าเดิมนะครับภิกษุทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องไปบอกพระพุทธเจ้านะครับ ในบาหลีข้อสามร้อยเก้าสิบเจ็ดก็เป็นเรื่องของภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็ให้ภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกสาติภิกษุเกวัตตบุตรมาพอเรียกมาแล้วก็มาถามว่าเธอเห็นอย่างนั้นจริงไหมในข้อสามร้อยเก้าสิบแปดในหน้าที่สองช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายไป ลาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกสาธิตภิกษุมาแล้วก็สอบสวนคือถามว่าเห็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับทีนี้ก็ถึงหน้าที่สองบาลีข้อ398แล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็ให้ภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกสาธิตภิกษุมาเรียกมาแล้วก็มาสอบถามตอนนี้ถึงหน้าที่สองในบรรทัดสุดท้ายข้อ398นะ แต่ว่าเป็นบรรทัดสุดท้ายเพราะว่าบรรทัดต้นๆ น, น, นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบถามความเห็นเท่า น, นั้นเองซึ่งเนื้อหาเหมือนเดิมนะเธอได้เห็นอย่างนั้นจริงไหมว่าวิญญาณมันท่องเที่ยววนเวียนไปสาติภิกษุก็บอก ว, ว่าจริงอย่างนั้นนะพระองค์ก็เลยจะตรัสต่อไปในบรรทัดสุดท้ายในย่อหน้าในหน้าที่สองนี้นะครับบรรทัดสุดท้ายตั้งแต่คาว่ากตามังตังสาติ วิญญาณังดูก่อนสติวิญญาณของเธออันนั้นคืออะไรล่ะวิญญาณเธอที่ว่ามันวนเวียนไปนะ่ะคืออะไรล่ะที่ว่ามันท่องเที่ยวไปนะนะั่นน่ะคืออะไรนะในบรรทัด ส, สุดท้ายตั้งแต่คาว่ากตามังตังสติวิญญาณันติอ่านพร้อมกันนะครับกตมังตังสติวิญญาณันติ ยะวายังพันเตวโดเวเทโยตัตตะรตัตตะรกาลยาณปาปกานังกรรมานังวิปากังปติสังเวเดติติกสนุโขนามะตวังโมคะปุริสะมะยาเอวังธรรมัง เดสิตังอาชานาสินุมะยาโมคะปุริสะอเนกะปริยาเยนะปฏิจจะสมุปปนังวิญญาณังวุตตังอัญญัตรปัจจะยานัตถิวิญญาณัสสะสัมภวติอัฏฐะปณะตวัง โมคะปุริสะอัตนาดุขหิเตนะอัมมเหเจวะอภจิกขสิอั ต, ตานันจะคณาสิวาหุนจะอปุญญังปะสาวติตันหิเตโมคะปุริสะภวิสติดีคารตังอาหิตายะ ดุขาญาติหลังจากพระพุทธเจ้าให้เรียกสาติภิกสุเกวัตตบุตรมาแล้วก็สอบถามว่าเธอมีความเห็นว่าวิญญาณนั้นท่องเที่ยววนเวียนไปจริงหรือไม่สาติภิกสุก็กราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระองค์ก็เลยถามว่ากตามังตังสาติวิญญาณังดูก่อนสาติวิญญาณอันนั้นเป็นฉไน วิญญาณนะนะั้นน่ะที่พูดถึงนะ่ะว่ามันท่องเที่ยววนเวียนไปนะ่ะคืออันไหนสาติภิกษุก็กลาบทูลว่าเยวายังพันเตวโดเวเทโยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณ น, นี้ก็คือสภาวะที่พูดได้วะโดผู้พูดผูพดพด้พูดได้เวเทโยผู o, ้ที่รับรู้ได้ตัตระตัตระกัลยาณนะ ปาปการังกัมมานังวิปากังปฏิสังเวเตติผู้ที่ได้เสวยวิบากแห่งกรรมที่เป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามในที่นั้นๆในภพภูมินั้นๆนี่วิญญาณของท่านนะฉะนั้นบางคนทั่วไปนี่ยึดถือวิญญาณว่าเป็นตัวตนผู้พูดผู้รู้สึกได้ผู้ที่ไปเสวยผล วิบากของกรรมทั้งหลายที่ดีก็ตามชั่วก็ตามในภพภูมินั้นๆไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลหรอกมีแต่วิญญาณไปเสวยวิบากของกรรมนี่ดูดีมืกเงินนะฟังเหมือนจะเข้าใจเลยแต่ว่าจริงๆไม่มีวิญญาณชนิดนี้ด้วยนะเพราะว่าวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนเกิดแล้วดับวิญญาณชนิดที่ไปเสวยวิบากของกรรมไม่มีนะฉะนั้นใครที่มีความเห็นว่าโอ้วิญญาณ ทำดีไม่ดีไปแล้วได้ไปเสวยผลของกรรมอ ย, อย่างนู้นอย่างนี้เสวยผลเป็นความสุขเสวยผลเป็นความทุกข์เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่เป็นกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างในภพภูมินั้นๆอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดพลาดนะครับเป็นความเห็นแบบสาติภิสษุนี่แหละนะนี่เราโดยทั่วไปก็จะพากันยึดวิญญาณว่าเป็นตัวตนนะวัโด o คือผู้ที่พูดได เวเทโยผู้ที่รับรู้ได้อันนี้แหละเป็นวิญญาณตัตระตัตระกัลยานปาปกานังกรมมานังวิปากังปฏิสังเวเตติผู้ที่ได้รับหรือว่าเสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่ทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างในที่นั้นๆในภพภูมินั้นๆใช่ไหมเราทำดีแล้วเราจะได้รับผลในที่นั้นๆใช่ไหม เออขาทานะอันนี้แหละคือความเห็นผิดแหละทาดีแล้วกรรมก็คือเจตนาเจตนาก็ไม่ได้มีตัวตนนะเป็นปฏิจจสมุปป น, นะท่านั้นเองอิงอาศัยสิ่งต่างๆที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปกรรมเกิดแล้วก็ดับวิบาสของกรรมถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมถ้ามันเกิดเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนอะไรอยู่ไม่มีกรรมตัวก่อนทําไปแล้วอ๋อวิญญาณนั้นไปรับผล ที่ทำดีทำชั่วไม่มีนะเราทั้งหลายพากันวนเวียนอยู่แต่เรื่องพวกนี้แหละนะพากันแหมทำดีจะได้รับผลดีทำไม่ดีจะได้รับผลไม่ดีแม้ทำชั่วไปแล้วก็โอ้ตกใจว่าสงสัยต่อไปเราจะได้โดนดา่าโดนทุบเพราะว่าทำไม่ดีมาแล้วนี่มันความเห็นผิดนะแต่ที่จริงเจตนาที่ทำไม่ดีมันก็แล้วไปแล้วเกิดแล้วดับ เจตานานั้นก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรท่านจึงว่าเจตานานั้นเป็นตัวกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะเห็นหัหยไม่มีตัว ต, วตนสักที่เดียวสอนเรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยจนครบท่วนสิเดียวน่อันนี้ถ้าใครยังเห็นการเกิดวนเวียนหรือว่าการรับกรรมและผลของกรรมที่ดีบ้างชั่วบ้างเป็นแบบ วิญญาณลักษณะแบบสาติภิกษุนี้ก็ให้ทราบว่าอ๋อนี่มันเห็นผิดอยู่เราจะได้ฝึกฝนเพื่อที่จะเห็นความจริงต่อไปนะครับนี่ท่านสาติภิกษุกล่าวตอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าวิญญาณของเธอนั้นคืออะไรล่ะท่านก็บอกว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้แล้วก็สภาวะที่ไปรับเสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่ ดีบ้างไม่ดีบ้างในภพภูมินั้นนั้นนั่นแหละพระองค์ก็เลยตรัสว่ากัสนุโขนามะตวังโมขะปุริสะมมยาเอวังธรรมังเดสิตังอาชานาสิดูก่อนโมขบบรุษเธอได้เข้าใจทั่วถึงธรรมะที่เราได้แสดงแล้วแก่ใครเล่าหมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้แสดงแก่ใครเลยธรรมะอย่างนี้เธอจะมาบอกว่า รู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแก่ใครล่ะเราไม่เคยแสดงอย่างนี้ก็เรียกทันว่าโมฆะบุรุษคือบุรุษเปล่าเปล่าบุรุษที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ศักแต่ว่าหายใจทิ้งไปเฉยเฉยไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงณุมยาโมฆะปุริสะอเนกปริยาเยนะปฏิจจสมุปันนังวิญญาณังวุตตังดูก่อนโมฆะบุรุษ วิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอิงอาศัยเหตุปัจจัยอันเรากล่าวแล้วเป็นอนเนกประการไม่ใช่หรือว่าอัญญะตะปั จ, จยาเว้นจากเหตุจากปัจจัยแล้วนัตถิวิญญาณสสะสัมพะโวการเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีนี่ก็เรื่องวิญญาณเพราะว่ากล่าวถึงความเห็นของสาติภิษิษุถ้าเป็นธรรมะอื่นๆก็เหมือนกันนะ เว้นจากเหตุปัจจัยแล้วการเกิดขึ้นของเวทนาชนิดนั้นๆย่อมไม่มีการเกิดขึ้นของความสุขย่อมไม่มีการเกิดขึ้นของความทุกข์ย่อมไม่มีการเกิดขึ้นของอะไรอรก็ย่อมไม่มีเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วนะอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องวิญญาณอัธฐจปณะตะวังโมขะปุริสะอัตนาทุขิเตนะอัมเหเจวะอภา จิกคสิดูก่อนโมฆะบรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอได้กล่าวตู่เราเพราะตัวเองยึดถือมาผิดอัตนาทุกขิเตนะคือตัวเองนั้นยึดถือมาผิดแล้วมากล่าวตู่เราเห็นไหมที่เรากล่าวว่าวิญญาณมันจะไปรับผลที่โน่นที่นี่สะสมกรรมดีไปรับ สเสวยวิบากดีกรรมไม่ดีสเสวยวิบากไม่ดีนี่กลายเป็นกล่าวตู่พระพุทธเจ้าไปแล้วนะครับเพราะตัวเองยึดมาไม่ดีอัตนาทุกข์หตุนะดูก่อนโมฆะบุรุษเธอได้กล่าวตู่เราเพราะตัวเองยึดถือมาไม่ดีอัตนานันจะคณสิเธอได้ขุดตัวเองเรียบร้อยแล้วขุดตัวเองนะก็คือเหมือนกับขุดต้นไม้นะ คือรอวันเหี่ยวเฉาตายอย่างเดียวนะขุดขุดตัวเองเรียบร้อยแล้วพระหุนจะอปุญญงปะวะสติย่อมประสบกับสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากตันหิเตโมฆะปุริสสะภวิสติดีครัตงังอหิตายะทุขายะดูก่อนโมฆะบุรุษเพราะว่าความเห็นนั้นของเธอจกเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนาน นี่ความเห็นที่ว่าวิญญาณไปเกิดที่นั่นที่นี่ทำกรรมนี้แล้วก็จะไปรับผลที่นั่นที่นี่ทำกรรมนี้แล้วไปรับผลที่นั่นที่นี่อย่างนี้ความเห็นอย่างนี้จักเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุก์ตลอดกาลรรนานคือได้เกิดได้ตายไปเรื่อยๆพอเกิดมาแล้วก็ได้ทุก์ที่ติดมากับความเกิดวนเวียนไปเรื่อยๆ เ, เห็นไหมมีสิ่งไม่เป็นประโยชน์เยอะแยะเหลือเกินเต็มไปหมดเลยมาจากความเห็น ไม่ถูกต้องว่ามีตัวมีตนมีวิญญาณไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ล่องลอยไปวิญญาณไปเสเวยผลของกรรมที่ตัวเองเคยทำไว้อย่างนั้นอย่างนี้นี่ความเห็นอย่างนี้เนี่เป็นสิ่งไม่เป็นประโยชน์จากเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนะครับนี่แหละลักษณะของความเห็นที่เรียกว่าปาปัง คือชั่วช้าคำว่าชั่วช้าก็ใช้ในความหมายว่ามันเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์แทนที่จะได้พ้นทุกแทนที่จะได้ถึงฝั่งคือพระนิพพานหรือว่าถึงความไม่มีทุกไปกลับต้องไปวนเวียนเป็นทุกอันนึงเป็นความเห็นที่ถูกต้องอีกอันหนึ่งเป็นความเห็นไม่ถูกนะครับทั้งสองส่วนก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันแต่เรียกมันว่าชั่วเพราะว่ามัน ให้สิ่งไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดให้ตายให้ตาหูจมูกลิ้นกายมาให้ตามาก็มีโรคตามาด้วยให้ร่างกายมาก็มีโรคในร่างกายเต็มไปหมดอ่ะนี่อันนี้นี่เพราะเห็นผิดนะทีนี้หลังจากได้สอบสวนท่านสาติตภิกษุแล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสถามความเห็นของภิกษุทั้งหลายว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ เรื่องที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้หรือไม่โดยโยกเรื่องวิญญาณนี่แหละมาแสดงนะครับในบาลีข้อ399พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายนะในหน้าที่สมบาลีข้อ399อา่านพร้อมกันนะครับอัฏโขภควาภิกขุอามันเตสิ ตังกิงมัญญาถะพิกเวอปินายังสาติพิกขุเกวัตตะปุตโตอัศมีกโตปิอิมัตสมิงธรร ม, มะวินเยติกิงหิสิยาพันเตโนหิตังพันเตติเอวังวุตเตสาติพิกขุเกวัตตะปุตโต ตุนหีภูโตมังกุภูโตปัตตะขันโธอโทมุโขปัชฌายันโตอปติพาโนนิสีดิ อ, อัฏโขภควาสาติงพิกขุงเกวัตตปุตตังตุนหีภูตังมังกุภูตังปัตตะขันทัง อะโทมุขขังปัชชันตังอปติภานังวิทิตวาสาติงพิกขุงเกวัตตะปุตตังเอตะดโวจะปัญญายิสสิโขตะวังโมคะปุริสะเอเตนะสเกนะปาปะเกนะทิทิคาเตนะ อิธาหังภิกขูปติปุจฉิสามีติอถะโขภควาภิกขุอามันเตสิลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าตังกิงมัญญะทะพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนั้นว่าอย่างไรอปินายังสาติภิกขุ เกวัตตะปุตโตอัจสมีกโตปิอิมัตสมิงธรรมะวินัเยสาติภิกษุเกวัตตะบรนี้จะกเป็นผู้ที่ทำความเจริญงอกงามในธรรมะวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ถ้าเขามีความเห็นอย่างนั้นแล้วนะจะงอกงามในธรรมะวินัยนี้ได้ไหมเห็นว่าวิญญาณมีตัวตนไปเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ จะได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนอย่างนี้ทำได้ไหมจะเจริญ ง, งอกงามไปในธรรมวิเนัยนี้ได้ไหมจะเป็นสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ตามที่พระองค์ประกาศเอาไว้นี้ได้หรือเปล่าก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เขาก็วนเวียนเมาบุญเกลียดบาปรักบุญวนเวียนเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นคนดีก็เป็นไป แต่ว่าก็ไม่ได้เจริญเป็นอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เลยเป็นคนละเรื่องกันไปนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็ชอบคิดอย่างนั้นคิดว่าพระพุทธเจ้านี้สอนให้เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เห็นถูกต้องว่าไม่มีตัวไม่มีตนอันแท้จริงจะได้เป็นอริยเจ้าเป็นผู้ที่สงบระ ง, งับจากกิเลสจะได้เลิกเกิดเลิกตา ย, เ ล, ตายเลิกวนเวียนกันนี่มันคนละอันกัน คนระแบบกันเลยนะแต่ถ้าความเห็นของคนทั่วไปเขาเห็นว่าโอ้ทำดีแล้วได้ดีทำชั่วแล้วได้ชั่วเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ด้วยความที่เขานั้นยึดถือผิดผิดอยู่เขาก็เอาคำสอนของพระองค์นี้มายัดใส่ว่านี่ทำกรรมดีแล้ววิญญาณนี้ก็จะได้รับผลที่ดีไปเกิดที่นั่นที่นี่นะใส่มาบางส่วนแล้วก็เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยที่พระองค์ตรัสเอาไว้เป็นอันมาก ที่พิกษุ์ในสมัยพุทธกาลท่านเข้าใจกันก็ไม่เอามากล่าวเลยอย่างเนี้นะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เขาเป็นคนดีให้เขาทํากรรมดีแล้วก็จะได้รับผลดีได้รับผลเป็นความสุขที่นั่นที่นี่พระพุทธเจ้าสอนให้เกลียดบาปจะได้ไม่ไปนูน่นไปนี่อะไรก็ว่าไปแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสอนให้เข้าใจตามที่มันเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดนั้น ล้วนแต่เป็นผลของเหตุของปัจจัยวิญญาณที่มันเกิดขึ้นก็เป็นปฏิจจสมุปป น, นงังวิญญาณังคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยมันพร้อมเรามานั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มา ล, ายลอยๆเวลาพูดถึงอันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยพร้อมแล้วจึงมาอย่างนี้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ได้มา ล, ายลอยๆอาศัยเหตุปัจจัยพร้อมแล้วทัศนคติอุดมคติสังคมเขาใส่ให้เรามาเราจึงคิดอย่างนี้ นะเพื่อจะได้รู้จักมันตามที่เป็นจริงว่ามันไม่ได้มีตัวตนต่อไปจะได้ไม่ถูกมันครอบงําอีกแต่ถ้าไม่รู้โอ้ความคิดนี้ดีเหลือเกินอันนั้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันมา ล, ลอยๆไม่รู้ว่ามันมาตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ก็ถูกมันครอบงําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถูกดีถูกชั่วนั้นครอบงําถูกโลกครอบงําไปเรื่อยๆก็ไม่มีทางที่จะเจริญงอกงามในธรรมวิ น, ยนัยดีได้นะครับ นี่พระองค์ก็สอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุสาติกเกวัตตบุตรนี้จะเป็นผู้ที่ทำความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่ากิงหิสิยาพันเตจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าพระเจ้าข้าโนหตังพันเตเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเนี่ยถ้าเห็น เรื่องความเป็นตัวเป็นตนยึดถือกันไปแล้วนะก็ไม่ต้องมีการที่ว่าจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้แล้วรักษาศีลก็เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีทำทานทำบุญอะไรต่างๆก็เพื่อให้ตัวเองได้รับผลอย่างโน้นอย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นฝึกฝนให้มีศีลเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราจริงละความเห็นผิดไปนะถ้าพวกไม่เข้าใจก็ออทาสมาธิก็เพื่อให้เราเป็นสุข ให้เราสงบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็สอนให้ทําสมาธิเหมือนกันเจริญสติมีกายคตาสติเป็นต้นทําสมาธิให้จิตเกิดความตั้งมั่นเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าไม่มีตัวเราจริงๆนะนี่มันคนละข้างกันนะนะครับภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าข้าเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เววังวุเตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสาติพิกุเกวัตตุตโตตุนหีภูโตภิกษุชื่อว่าสาติเกวัตตบุตรก็เป็นผู้นิ่งมังกุภูโตเก้อเขินปัดตักขันโธคอตกอโทมุโขก้มหน้าปัดชายันโตสบเาวอปติพานโนนิสีติแล้วก็นั่งหม ด, หมดปฏิพาน คือหมดคำพูดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วนั่งอยู่ในที่นั้นแหละอถฐาโขภควาสาติงพิขุงเกวัตตะ ป, ตตตตปุตตังตุนหีภูตังมังกุภูตังปัตตขันทางอโทมุก ข, ขังปัจชานตังอัปติพานางวิทิตวารํำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุชื่อว่าสาติเกวัตบุตรเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตก ก้มหน้าสบสาหมดปฏิพานแล้วสาติงพิกขุงเกวัตตบุตตังเอตะดโวจะพระองค์ก็ได้กล่าวคำนี้กับสาติภิกษุเกวัตตบุตรว่าปัญญายิสสิโขตวังโมฆะปุริสะเอเตนะสเกนะปาปเกนะนิธิคเตนะดูก่อนโมฆะบุรุษเธอก็จะปรากฏด้วยอำนาจ ความเห็นผิดอันชั่วช้าของตนนั้นนั่นแหละอิทาหังพิกขูปฏิปุดฉิตสามิเราจกถามภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้นะก็คือภิกษุสาติก็ยังไม่ยอมลดละความเห็นตัวเองเขาก็นั่งซบเซาหมดปฏิภาณอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ พระองค์ก็บอกว่าเธอก็ปรากฏเป็นแบบนี้ตามความเห็นของเธอนั่นแหละแต่เรานี้จะถามภิกษุทั้งหลายดูว่าเห็นเหมือนเธอไหมพระองค์ก็จะได้ถามเป็นข้อๆไปนะครับในย่อหน้าต่อไปนะครับอ่านพร้อมกันนะอาทะโขภค ว, วาภิกขุอานเตสิตุมเหปิเมภิกเวเอวังธรร ม, มัง เดสิตังอาชานาตะอะถายังสาติพิกขุเกวัตตาปุตโตอัตนาตุขยเตนะอัมเหเจวะอภ aja คติอัตานันจะขณะติปหุนจะอะปุญญังปะสาวตีติโนเหตังพันเต อเนกปริยาเยนะหิโนพันเตปฏิจฉสมุปปนังวิญญาณังวุตตังภควตาัญญตระปัจจะยาณถิวิญญาณัสสะสัมภวติสาธุสาธุพิกเเวสาธุโขเมตุมเหภิกเเว เอวังธรรมังเดสิตังอาชานาธะอเนกปริยาเยนะหิโวภิกเวปฏิจสะสมปันนังวิญญาณังวุตตังมายาัญยตระปัจจยาัติวิญญาณัสสะสัมพวติอาธา จะปนายังสาติพิขุเกวัตตะปุตโตอัตนาดุขิเตนะอามมเหเจวะอภาจิคติอัตานันจะคณาติวะหุนจะอปุญญังปะสาวติตันหิตัสสะโมคะปุริสัสสะภวิสติ ดิครัตตังอาหิตายดุขายะต่อไปพระองค์ก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอาะโขภควาภิกขุอามันเตสิลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าตุมมเหปิเมภิกเเวเอวังธรร ม, มังเดสิตังอาชานาธะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้หรือไม่ว่าอัธายังสาติพิขุเกวัตตะปุตโตอัตนาทุกขิเตนะอัมเหเจวะอัพพาจิกขตินะได้รู้ได้เห็นเหมือนอย่างสาติพิกสุไหมที่ไปเห็นว่าสาติพิกสุนี้ ได้กล่าวตูวเราตถาคตเพราะตัวเองถือเอาไว้ไม่ดียึดถือเอาไว้ไม่ถูกต้องอันตานันจะคณติย่อมขุดตนเองบ้าหุนจะอปุญญปะสาวติย่อมประสบกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากนะก็ถามภิกษุว่าได้เป็นอย่างสาติภิกษุนี้ไหมที่มากล่าวตูวเราเพราะตัวเองนั้นถือเอาไว้ไม่ดีได้ขุดตนเอง ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าโนเหตัง no พันเตข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าก็าคือไม่ได้ยึดถือตามแบบสาติภิกษุไม่ได้มีความเห็นแบบนั้นพิกษุทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าอเนกปริยาเยนะหิโนพันเตปฏิจจะสมุปปนนางวิญญาณนางวุตตังพักวตา ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเพราะว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอนเนกประการแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าอัญญะตะรปัจจะยาเว้นจากเหตุจากปัจจัยแล้วนัตถิวิญญาณัสะสัมภะโวการเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีดังนี้นพิสูจน์ทั้งหลายก็กลาบทูลไปอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็สาธุการสาธุสาธุภิฆเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีแล้วดีแล้วถูกแล้วถูกแล้ว น, นี่การเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้ารับรองก็คือเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วการเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี สิ่งนี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นมันจึงเกิดขึ้นได้นะมันไม่ได้มีตัวตนอะไรอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้มีอานาจยิ่งใหญ่อะไรนะนี่พระองค์ก็สาธุการแล้วก็บอกว่าสาธุโมเมตุมเหหิพิกเวเอวังธรรมมังเดสิตังอาชานาธะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีแล้วแลพวกเธอทั้งหลายได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่เราตถาคตสแสดงแล้วอย่างนี้อเนกปริยาเยนะหิโวภิกเวปฏิจจสมุปป น, นังวิญญาณังวุตตังมยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอิงอานสยเหตุปัจจัยอันเราตถาคตกล่าวแล้วแก่เธอทั้งหลายเป็นอนเนกประการว่า อัญยตระปัจจญาเว้นจากเขตปัจจัยแล้วนัตถิวิญญาณ ส, สัมพโาวการเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีนี่พระองค์ก็สาธุ ก, การแล้วพระองค์ก็ย้อนกลับมาที่สาธิภิกษุอีิศะอ า, า จ, ปน า, อาาจปนายงสาธิภิกขุเกวัตตะปุตโตเมื่อเป็นเช่นนี้สาธิภิิษุเกวัตตบุตรนี้ อัตนาดุขะหิเตนะอมเหเจวะอัภาจิกสิย่อมกล่าวตูเราเพราะความที่ตนเองยึดถือมาไม่ดีอัตานานจะคณติย่อมขุดตนเองมหุนจะอปุญญงปะสาวติย่อมประสบกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนันมากตันหิตัสสะโมฆะปุริสัสสะภวิสติดีครัตตังอหิตายะดุขายะ ก็ความเห็นอันนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุ ก, กข์แก่โมค บ, บุรุษนั้นตลอดกาลนานนาีอันนี้พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายเพื่อจะได้ข้อสรุปว่าสาติภิกษุนั้นกล่าวตู่พระพุทธเจ้าจริงๆกล่าวเหมือนกับว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาแต่ว่าตัวเองเข้าใจผิดแล้วก็ยึดถือผิด ก็มาบอกว่ารู้ทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แต่ภิกษุรูปอื่นกลับไม่ได้ว่าอย่างนั้นไปว่าอีกอย่างอื่นก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้นั้นกล่าวตู่นะฉะนั้นคนฟังธรรมะด้วยกันเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะสติภิกษุก็คงไปฟังกับภิกษุเหมือนๆกันนี่แหละแต่ว่าความเห็นของท่านไปอีกแบบหนึ่งกลายเป็นความเห็นผิดไปเห็นว่าวิญญาณไปเกิดที่โน่นที่นี่วนเวียนไป วิญญาณได้เสวยวิบากของกรรมที่ทำดีทําชั่วนนะก็ได้ฟังมาคล้ายๆภิสูจนั่นแหละแต่พิสษรรูปอื่นกลับเข้าใจความจริงว่าอ๋อพระองค์นี่แสดงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแต่องค์นี้มายึดถือผิดไปซะแล้วอย่างนี้แล้วก็เอาไปกล่าวตู่กันไปนะครับอย่างนี้นะต่อไปพระองค์ก็จะแสดงความหมายหรือว่าลักษณะของวิญญาณที่ถูกต้องที่พระองค์ทรงสแสดงว่าวิญญาณ น, นั้นน่ะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนหรอกไม่ได้มีวิญญาณอยู่ก่อนมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์แสดงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุนในบาลีข้อ400นะครับอ่านพร้อมกันนะ ยังยะเดวะพิกเวปัจจยังปฏิจจอุปัชติวิญญาณังเตนะเตเนวะวิญญาณันตเววะสังขยังคัดฉติจกขุนจะปฏิจจรูเปจะอุปัชติวิญญาณังจกขูวิญญาณันตเววะสังขยังคัดฉติ โสตันจะปฏิจะสัตเดจะอุปัชติวิญญาณังโสตะวิญญาณันตเววะสังขยังคัดฉติคานัญจะปฏิจะคันเทจะอุปัชติวิญญาณังคานวิญญาณันตเววะสังขยังคัดฉติชิวหันจะปฏิจะ ระเสจะอุ ป, ปัชติวิญญาณังชิวหาวิญญาณันตเววะสังขยังคดฉติกายันจะปฏิจะโพธเบจะอุ ป, ปั ช, ชติวิญญาณังกายวิญญาณันตเววะสังขยังคดฉติมะนันจะปฏิจะธรรมเมจะ อุปัชติวิญญาณังมะโนวิญญาณันตเววะสังขยางคัติต่อไปพระองค์ก็จะกล่าวถึงความหมายของวิญญาณที่ถูกต้องว่าวิญญาณที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้วิญญาณที่เป็นปฏิจะสมุ ป, ปันนังวิญญาณังวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย แสดงถึงวิญญาณนั้นมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆอะไรไม่ได้มีอยู่ก่อนอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันก็ไม่ได้เกิดอะไรนะเมื่อมันมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปเท่านั้นเองไม่ได้มีตัวตนอะไรจริงๆยังยะเดวพิกเวปฏิจจปัจจยังยังยะเดวพิกเวยปัจจยังปฏิจจอุปัชติวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยปัจจัยอย่างใดๆแล้ววิญญาณย่อมเกิดขึ้นอุปัชติวิญญาณังนะวิญญาณังก็คือวิญญาณอุปัชติย่อมเกิดขึ้นเตนะเตเนวะวิญญาณันตเต ว, วะสังขยังคัตฉติก็ย่อมถึงการนับว่าวิญญาณด้วยอำนาจของปัจจัยชนิดนั้นๆแล้วพระองค์ก็ขยายความ จกขุนจะปฏิจะรูเปเเจะอุปัชติวิญญาณังเพราะอาศัยจักสุและอาศัยรูปทั้งหลายวิญญาณจึงเกิดขึ้นจักกุวิญญาณันตเววะสังขยังคัจฉติวิญญาณนั้นก็ถึงการนับได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณนั่นแหละเนี่ยที่จักกุวิญญาณเนี่ยไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรไม่ได้มีเราเห็น ไม่ได้มีจักขูวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่ได้เป็นตัวเห็นตัวเสเวยวิบากอะไรหรอกนะแต่ว่าจักขูวิญญาณนี้ที่ได้ชื่อว่าจักขูวิญญาณก็เพราะว่าอาศัยจักษุและอาศัยรูปวิญญาณจึงเกิดขึ้นก็เลยได้ชื่อว่าจักขู่วิญญาณเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเป็นการรับรู้ที่เกิดเพราะอาศัยจักษุจักษุดี กระทบกับรูปเรียบร้อยแล้วก็เกิดการรับรู้ขึ้นเกิดแล้วพอหมดเหตุก็ดับไปอีกเหมือนกันอย่างนี้นะเกิดขึ้นเพราะความพร้อมแห่งปัจจัยถ้ามีความบกพร่องของเหตุของปัจจัยมันก็ไม่เกิดถ้าตาไม่ดีกระทบรูปมันก็ไม่เกิดหรือว่ารูปไม่มากระทบตาดีมันก็ไม่เกิดอย่างนี้แล้วแต่มันนะเกิดขึ้นเพราะความพร้อมแห่งปัจจัยเท่านั้น โสตัญจะปฏิจะสดเดจะอุปัชติวิญญาณังเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งหลายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นโสตวิญญาณันตเววสังขยังคัจฉติวิญญาณนั้นก็ถึงการนับได้ชื่อว่าโสตวิญญาณนั่นแหละวิญญาทานัญจะปฏิจะคันเทจะอุปัชติวิญญาณังเพราะอาศัยจมูก และกลิ่นทั้งหลายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นคานวิญญาณันตเววะสังขยังคัจจติวิญญาณนั้นก็ถึงการนับได้ชื่อว่าคานาวิญญาณนั่นแหละชิวหันจะปฏิจะระเส จ, จะอุปัชติวิญญาณังเพราะอาศัยลิ้นและรสทั้งหลายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นชิวหาวิญญาณันตเววะสังขยังคัจติวิญญาณนั้น ก็ถึงการนับได้ชื่อว่าจิวหาวิญญาณนั่นแหละกายันจะปฏิจะโผตฐเบจะอุปปัชติวิญญาณังเพราะอาศัยกายและอาศัยโผฏฐพะทั้งหลายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นกายวิญญาณันตเววสังขยังขจฉติวิญญาณนั้นก็ถึงการนับได้ชื่อว่ากายวิญญาณ น, นั่นแหละมะนันจะปฏิจะทำเมจะอุปปัชติวิญญาณัง เพราะอาศัยใจและธรรมะทั้งหลายวิญญาณย่อมเกิดขึ้นมโนวิญญาณนันตเววสังขยังคัจจติวิญญาณนั้นก็ถึงการนับได้ชื่อว่ามโนวิญญาณนั่นแหละเนี่ยชื่อวิญญาณต่างๆจักุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณแสดงให้เห็นว่าวิญญาณนั้นเป็นของที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย สุขเวทนาทุกเวทนาแสดงให้เห็นว่าเวทนามันอิงอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอิงอาศัยเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดสุขก็เลยเรียกว่าสุขเวทนามันสบายพอเป็นไปได้อิงอาศัยปัจจัยที่ทำให้มันทุกก็เลยได้ชื่อว่าทุกเวทนาอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้หมดนะทุกอันนี่แหละนะเหมือนเราได้ชื่อนี้ชื่อนี้มาเป็นลูกคนนั้น เป็นนั่นเป็นนี่อะไรขึ้นมาก็อิงอาศัยสิ่งอื่นๆขึ้นมาก็ได้ชื่อไปอาศัยนั่นอาศัยนี่แล้วก็ได้ชื่อเรียกอย่างนี้อย่างนี้อาศัยการมานั่งสอนหนังสืออาศัยการมามีคนนั่งฟังก็เรียกว่าถึงการนับว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อะไรก็ว่าไปทุกอันก็เป็นอย่างนี้หมดแหละนะแต่ตอนนี้กํลาลังพูดถึงเรื่องวิญญาณเท่านั้นเองเรื่องอื่นๆก็ทํานองเดียวกันหมดนะจะเป็นคนสําคัญคนไม่สําคัญ จะเป็นคนถูกคนผิดขึ้นมาได้ก็อิงอาศัยถ้าเราเป็นคนถูกก็ต้องขอบคุณคนผิดเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีคนผิดเราก็ไม่ได้เป็นคนถูกหรอกต้องมีคนผิดจึงจะเป็นคนถูกถ้าคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วก็ต้องอาศัยมารเขาน่ะจึงจะไปเป็นเทวดาถ้าไม่มีมารมันจะได้เป็นเทวดาไหมมันไม่ได้เป็นนะบาปดีชั่วถูกผิดนี่มันของอิงอาศัยอาศัยอันนี้กับอนันนี้อาศัยว่าอ๋อทําแบบนี้เทียบกับอันนี้ อันนี้ทําแล้วมีความสุขอันนี้ทําแล้วเกิดความทุกข์เทียบกันอย่างนี้ก็ได้ชื่ออันนี้เป็นอันหนึ่งได้ชื่ออันโน้นเป็นอันหนึ่งสุคติทุคติอะไรก็เหมือนกันไปเกิดแล้วมันลําบากลําบนอยู่ยากก็เทียบกันได้ชื่อว่าอันหนึ่งเป็นทุกคติอยู่ยากอยู่ลําบากไปแล้วเหนื่อยเหลือเกินบนเวียนมากอีกอันหนึ่งอยู่แล้วสบายไปแล้วรู้สึกร่มเย็นเบาสบายแต่ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเป็นของอิงอาศัยเท่านั้นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้นะนะครับนี้พระองค์พูดเรื่องของวิญญาณเพื่อนำมาสู่การแสดงธรรมะต่อไปเพราะว่าในเรื่องนี้กล่าวถึงเรื่องความเห็นของภิกษุสาติที่มีความเห็นเรื่องวิญญาณอยู่พระองค์ก็พูดเรื่องวิญญาณว่าแท้ที่จริงวิญญาณที่พระองค์แสดงนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า วิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนอะไรอาศัยจักรสุอาศัยรูปทั้งหลายวิญญาณคือการรับรู้เกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าจักรุวิญญาณถึงการนับหรือว่าถูกเรียกชื่อถูกขนานนามว่าอย่างนี้เท่านั้นเองเราเกิดมาในที่นี้ไปจดทะเบียนที่อำเภอแล้ว อ, อก็สมมุติกันถูกขนานนามว่านายกอ่อนายขออย่างนี้ทุกอันก็เหมือนอย่างนี้หมดนะ นะเรียนจบหนังสือสอบได้เขาก็ขนานนามแล้วว่าจบมัธยมนี้แล้วจบโน่นจบนี่แล้วอาศัยอย่างนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจะบอกว่ามีก็ได้มีเมื่อมันเกิดและมันเกิดไม่ได้เกิดมาลอยลอยอิงอาศัยวิญญาณจะบอกว่ามีก็ได้เหมือนกันแต่มีเมื่อมันเกิดแต่ไม่ได้เกิดมาลอยลอยด้วยเป็นปฏิจจสมุปป น, นะคือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยที่มันอิงอาศัยอยู่ อย่างนี้นะครับทุกสิ่งก็เป็นอย่างนี้หมดนะพระองค์ก็เลยจะอุปมาไปเรื่องของไฟนะอุปมาเรื่องของไฟไฟที่มันเกิดขึ้นก็มีทั้งไฟไม้ก็มีอิงอาศัยไม้ก็ไฟไม้ไม้ก็เรียกว่าไฟไม้ไฟฟืนอะไรก็ว่าไปนะอันนี้เป็นคำอุปมานะครับในหน้าที่สี่ตั้งแต่คำว่าเสยถาปินะอ่านพร้อมกัน เสยถาปิพิขเวยังยะเดวปัจจะยังปฏิจจะอัก h ิชลติเตนะเตเนวสังขยังคัจฉติกัฏฐานจะปฏิจจะอักขิชลติกัฏทักขิตเววสังขยังคัจฉติสกาลิกันจะปฏิจจะอักขิคัจฉติ สักลิขคิตเววะสังขยังคัจจติตินันจะปฏิจ k อคิฉลติตินักคิตเววะสังขยังคัจจติโคมยยันจะปฏิจะอคิฉลติโคมยยัิตเววะสังขยังคัจจติทุสันจะปฏิจ k อคิฉลติ ทุสัก ข, ขิตเววะสังขยังคดฉติสังการัญจะปฏิจะอัขิฉลาติสังการักขิตเววะสังขยังคดฉะตินะเท่านี้พอนะต่อไปก็จะเป็นคําอุปมายแล้วซึ่งก็เหมือนคําข้างบนนะครับคอุปมาก็พระองค์นำมาอุปมาด้วยไฟ เสยถาปิพิขเวยังยะเดวะปัจจยังปติจักขิชลติดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายอุปมาดุดว่าเพราะอาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างใดไฟย่อมลุกขึ้นเตนะเตเนเวะสังขยังคัจฉติไฟก็ได้ชื่อเรียกตามปัจจัยนั้นๆ น, น, นั่นแหละยกตัวอย่างเช่นว่ากัดฐันจะปติจัคขิชลติ เพราะอาศัยไม้ไฟย่อมโผรงขึ้นกัตทักขิตเววสังคยังคัจฉติไฟนั้นก็ได้ชื่อเรียกว่าไฟไม่ไม้ไฟไม้ไฟที่เกิดจากไม้สะกะลิกันจะปฏิจะอักคิฉลติเพราะอาศัยป่าไฟจึงลุกโผรงขึ้นสกัลคิสะกะลกสะกะลัสะกะลิก ขิเววะสังคยังคัจจติไฟนั้นก็ถึงการนับได้ชื่อเรียกว่าไฟป่าตินันจะปฏิ จ, จะอคิชลติเพราะอาศัยญ้าไฟจึงเกิดขึ้นตินักขิตเววะสังคยังคัจจติไฟนั้นก็ถึงการนับว่าไฟไม่ญ้นานะก็ธรรมดานี่นะต่อไปก็ไฟไม่มูลโคไม่อื่นๆไปเรื่อยนะอย่างนี้ นะก็เหมือนกับเรื่องวิญญาณนั่นแหละนะไฟได้ชื่อนั้นชื่อนี้สิ่งต่างๆได้ชื่อนั้นชื่อนี้ก็อิงอาศัยต่างๆนะครับอย่างนี้นะต่อไปก็ไหมมูลโคก็ไฟไหมขี้โคจนกระทั่งถึงไฟไหมยางยื่อก็ไฟที่มันไหมยากเยื่อขึ้นมาก็ได้ชื่อไปตามเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดไฟนะเหมือนที่เราเรียกชื่อกันต่างๆนานานี้ เรียกชื่อกันไปนี้ไม่ใช่เพื่อยึดถือว่ามันเป็นตัวตนอะไรแต่เพื่อให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันถึงการนับหรือว่าได้ชื่อเรียกอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยฐานไม้นั่นฐานไม้นี่ก็เพราะว่ามีไม้นั้นมาไม่ไฟก็เลยเรียกว่าฐานไม้ชนิดนั้นฐานไม้ชนิดนี้อย่างนี้นะวิญญาณก็ทำนองเดียวกันก็เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย วิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณนี้ก็เรียกชื่อว่าจักขุวิญญาณเป็นต้นจนกระทั่งถึงอาศัยใจอาศัยธรรมะวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณนี้ก็ได้ชื่อเรียกว่ามันโนวิญญาณอย่างนั้นเหมือนกันนะก็แสดงเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยในที่นี้พระองค์ก็แสดงเรื่องของวิญญาณเพื่อให้คล้อยตามความเห็นของ สติภิกษุแล้วก็แก้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงนะครับต่อมาพระองค์ก็จะได้แสดงเหตุปัจจัยของขันธ์ทั้ง5เพราะวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์หนะวิญญาณขันธ์เมื่อพูดเรื่องวิญญาณแล้วพระองค์ก็จะแสดงเรื่องของขันธ์หต่อไปในหน้าที่สบาลีข้อ401เป็นต้นไปนะ